Book two. 2ยี่สิบหกธรรมชาติคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับเดบัชช์ตัมวิโอสกคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับร ค, คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับสสผมชอบนกตัวนั้น ผมชอบต้นไม้ต้นนั้นผมชอบก้อนหินก้อนนี้ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นผมชอบสวนนั้น Мне п ิ д ง б а е ดับ той сад ผมชอบดอกไม้นี้ мне п ิ д ง б а е ดับใบชะเหตยาผมว่านั่นมันสวย п о м ม่วยหมู่เหตผมว่านั่นมันน่าสนใจ мне з д а е ดายต์ชะเหตตาชผมว่านั่นมันงดงาม п о м о ่ м у หมู่เหตตา ผมว่านั่นมันน่าเกลียด я д у м а ю มายุ่ง ы ับกผมว่านั่นมันน่าเบื่ออ н а х о นุกด้วยการพผมว่านั่นมันแย่